วันนี้เป็นวันพระรหัสศุกดีที่ยี่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง8ันห้า้หกสิบดเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมให้วางภารกิจการงานทางโลกทางร่างกายคือการทางเลี้ยงดูร่างกายด้วยการหาราบยศสรรเสริญสุขมา เพื่เลียงดูร่างกายและให้ความสุขกับร่างกายผ่านทางร่างกายที่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนที่จะต้องมีวันเสื่อมเมื่อเวลาที่ร่างกายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บและความตายให้ลองมาหาความสุข ทางใจความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับใจให้หาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่จะต้องใช้สติและปัญญา เป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบของใจสตินี้จะให้ความสงบของใจแบบชั่วกลา่าวปัญญานี้จะให้ความสงบแบบถาวร แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นถาวรคือขั้นปัญญาได้ต้องผ่านขั้นสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถจเจริญปัญญาได้จําเป็นต้องมีสติที่คอยควบคุมความคิดของใจให้คิดไปในทางปัญญาให้ได้ถ้ายัางควบคุมความคิด หองใจให้ไปทางปัญญาไม่ได้ใจความคิดก็จะคิดไปทางทางโลกกรรมคิดไปทางความโลภความอยากต่างๆอยากได้ลาบยศเสรเสริญสุขนี่เองจึงต้องมีการควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ ใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาที่ใจสงบเป็นสมาธิความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความคิดทางราบยศสสรสญความคิดทางความโลภโกรธหลงก็จะสงบตัวลงชั่วคราวใจก็จะมีความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติพลังสุขขังสิกอื่นความสุขแบบอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็คือความสงบด้วยสติก่อนการทำความสงบ ด้วยสตินี้เราเรียกว่าเป็นการทำสมาธิหรืออีกคำหนึงก็เรียกว่าเป็นการเจริญสมถะภาวนาความหมายอันเดียวกันสมถะภาวนาการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนี่เป็นการเจริญสติเพื่อให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาให้จิตเกิดความสุขที่เกิดจาก การทําใจให้สงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนไฟถ้าเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่จะทําให้ใจทุกบร้อนขึ้นมา ท, าทันทีส่วนสตินี้ก็เป็นเหมือนน้ําดับไฟถ้ามีสติที่มีกําลังมากกว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลง ความโลภความโกรธความหลงคือไฟของความโลภความโกรธความหลงก็จะระ ง, งับตัวลงไปแต่ถ้าน้ำคือสตินี้มีน้อยกว่าก็ยังจะไม่สามารถที่จะระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงได้ก็ต้องพยายามสร้างสติให้มีมากขึ้นอนอยกับ หน่วยดับเพลิงนี้ต้องมีน้ำไว้ดับไฟเวลาเกิดไฟไหม้ถ้าน้ำดับเพลิงนี้มีไม่มากพอก็จะไม่สามารถดับไฟที่ไหม้ได้หน่วยดับเพลิงจึงต้องมีแหล่งน้ำที่มากกว่าไฟถึงจะสามารถดับได้ถ้าน้ำดับไฟมีน้อยกว่าก็ต้องปล่อยให้ไฟลุกไปจนกว่ามันจะดับของมันเอง ใจที่ไม่มีสติคอยระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงก็จะเป็นใจที่รุ่มร้อนเศร้าหมองเครียดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็อาจจะดับไปเป็นพักๆเมื่อมันหยุดโลภโกรธหลงไว้ชั่วคราวแต่มันก็จะไม่หายไปมันก็จะกลับมาใหม่ มาเผาใจอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราต้องการให้ใจเรามีความสุขมีความสงบเราต้องมาเจริญสติกันมาปฏิบัติจิตตภาวนาขั้นแรกคือขั้นส ม, มถะภาวนาขั้นที่สองเขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือขั้นปัญญานี้ ขั้นแรกขั้นสมถะภาวนานี้ก็คือขั้นสติขั้นสมาธิมีสติก็จะมีสมาธิสติเป็นเหตุที่ทำใจให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สมาธิเป็นผลเหมือนกับการรับประทานอาหารเป็นเหตุ ส่วนความอิ่มท้องนี้เป็นผลที่ตามมาจากการรับประทานอาหารถ้าไม่รับประทานอาหารความอิ่มท้องก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ท้องก็จะหิวไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ท้องอิ่มก็ต้องกินอาหารเข้าไปในท้องเมื่อกินเข้าไปจํานวนที่พอเพียงท้องก็จะอิ่มขึ้นมา การเจริญสติก็เป็นการรับประทานอาหารของใจเพื่อที่จะให้ทําให้ใจอิ่มเวลาใจอิ่มนี้เราก็เรียกว่าสมาธิใจจะอิ่มได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดคอยหยุดความโลภความโกรธความหลงที่เกิดจากความคิดต่างๆ ถ้าสติมีกำลังมากกว่าความคิดสติก็จะหยุดความคิดได้เมื่อหยุดได้แล้วใจก็จะนิ่งสงบความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดทำงานชั่วคราวความทุกข์ร้อนใจความเครียดความวิตกความกังวลความหวาดกลัวต่างๆก็จะหายไปชั่วคราว นี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทมาทำกันในวันพระ ค, คือวันที่ไม่ต้องไปทำงานทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ในสมัยนี้มันไม่ได้เป็นตามที่เคยเป็นในอดีตในอดีตในยุคที่ ประเทศไทยยังไม่ได้ไปทำมาหากินกับต่างประเทศวันหยุดทำงานก็จะเป็นวันพระแต่พอเริ่มมีการพัฒนามีการติดต่อกับต่างประเทศมีการทำมาค้าขายกับต่างประเทศความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวันหยุดจากวันพระให้กลายเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เกิดขึ้น เพราะต่างประเทศเขาหยุดทำงานหยุดทำมาหากินกันในวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองทางการค้าทางบริษัททางราชการของประเทศไทยก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อจะได้ตรงกับต่างประเทศเพื่อที่เวลาทำงานจะได้ทำตรงกันรือทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แล้วก็หยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระที่เคยมีอยู่จึงไม่ต้องไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเสมอไปจึงทำให้พุทธบริษัทสาธุชนที่ฝ่ายธรรมนี้อาจจะไม่สามารถที่จะทำภารกิจในวันพระเช่นวันนี้ได้ เพราะวันนี้เป็นวันพระรหัสสบดีไม่ตรงกับวันสา ว, วันทิ์ก็จำเป็นที่จะต้องไปทำงานทำการก็เลยไม่สามารถที่จะมาทำกิจในวันพระได้ก็คือมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้เราจะทำอย่างไร ถ้าอยากจะมีวันพระทุกปรทศตามที่พระเจ้าต้องการให้มีก็จําเป็นที่จะต้องย้ายวันพระไปให้ตรงกับวันหยุดทํางานเช่นถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกวันใดวันหนึ่งเสาร์ก็ได้อาทิตย์ก็ได้ให้เป็นวันพระขึ้นมาแล้วพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาทํากิจทางด้านจิตใจ มาหยุดการทำมาหากินเพราะวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ต้องไปทำงานทำการไม่ต้องไปทำมาหากินเราก็จะมีเวลาว่างที่เราจะได้เอาใช้เอาเวลาว่างนี้มาทำกิจของทางด้านจิตใจมาสร้างความสุขทางด้านจิตใจมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันได้ถ้าเราไม่รับนี้ เวลาที่เราจะมีเวลาว่างให้กับการสร้างความสุขทางใจก็จะมีน้อยลงเพราะนานๆวันพระจะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สักครั้งหนึ่งประมาณทักสองเดือนมั้งก็วันวันพระก็จะจะเวียนมาวันจบตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เห็นปีหนึ่งนี้เราก็จะมีวันพระ ได้ไม่กี่วันไม่ไม่เหมือนกับสมัยที่เราหยุดทำงานในวันพระกันเราก็จะมีวันหยุดทุกวันมีวันพระทุกอาทิตย์มีวันหยุดทำงานทุกเพื่อมาปฏิบัติธรรมาสร้างความสุขทางใจในวันพระ ก, ก, กันทุกอาทิตย์ได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการขาดทุนเวลามีค่ามหาศาล เราก็ต้องปรับวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานของเราเช่นวันนี้เป็นวันพระทางการทางทางทางปฏิทินเดิมทางจันท ร, รคติแต่ไม่เป็นวันหยุดทำงานเราก็จะไม่สามารถมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้เพราะตอนนี้เราต้องอยู่ที่ทำงาน ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานของเราเอาทาวันเอาวันที่เราหยุดทำงานนี้เป็นวันพระวันเสาร์ก็ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้ถ้าเรามีหยุดสองวันเราก็เลือกเอาวันหนึ่งให้เป็นวันปฏิบัติธรรมวันฟังเทศฟังธรรมวันธรรมสวัส Uh huh. แล้วเราก็จะได้มีวันปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์ uh huh. เราก็จะไม่ขาดทุนป uh huh. ีหนึ่งเราก็จะมีวันปฏิบัติธรรมได้ถึงห้าสิบสองวันด้วยกันห้าสิบสองอาทิตย์ uh huh. แต่ถ้าเรายึดวันพระตามแนวเดิมตามแบบเดิมอยู่ uh huh. วันพระที่จะมาตรงกับวันหยุดทำงานของเราก็อาจจะทุกสองเดือนด้วยกัน uh huh. ปีหนึ่งก็จะมีวันพร ะ, ท, ะทักหที่ที่ตรงกันทักหกครั้งด้วยกันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็จะได้แค่สิบสองวันต่อปีแทนที่จะได้ห้าสิบสองวัน อ, อย่างนั้นเราควรที่จะมีวันพระทุกอาทิตย์เหมือนกับถ้าเราถือทําปฏิทินทางจันทรคติเนี่ย วันพระก็จะมาทุกเจดวันบ้างแปดวันบ้างหกวันบ้างแต่โดยเฉลีย่ยก็ทุกกะทิ์จะมีวันพราหนึ่งครั้งถ้าเราไม่ต้องไปทำงานกับบริษัทหรือทำงานทางราชการถ้าเราทำเป็นของเราเองที่เราสามารถเลือกวันหยุดได้เราก็ยังสามารถใช้การนับวันพระแบบเดิมได้อยู่ เช่นถ้าเราทำงานของเราวันนี้เราก็อาจจะปิดร้าน <c oughs> ปิดกิจการหนึ่งวันแต่ถ้าเราปิดไม่ได้เราหยุดทำงานไม่ได้เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมในวันพระนี้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นกับตรงให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเรา <c oughs> คือโดยสรุปความหมายก็คือ พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามีวันปฏิบัติธรรมอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งวันดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้รับผลประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมคือความสุขทางใจเราก็ต้องมีวันหยุดทางาน มีวันพระหนึ่งวันไว้สำหรับการปฏิบัติเพราะว่าการที่เราจะสร้างความสงบสุขทางใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะแค่ครั้งละห้าสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโม ง, น, งนั่งสมาธิครั้งละห้าครั้งละสามสิบนาทีนี้ มันไม่พอเพียงที่ทาให้เกิดผลขึ้นมาเพราะว่านอกจากการนั่งสมาธิแล้วเรายังต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไปจนถึงเวลาหลับเลยเป็นเวลาที่เราจำเป็นที่ต้องมีให้กับการเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีเวลาให้กับการเจริญสติไม่คอยหยุดความคิด เวลานั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจิตเราจะฟุ้งจะนั่งแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เป็นเครื่องผูกใจให้ใจหยุดคิดเราก็จะอยู่กับกรรมฐานไม่ได้เช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธไม่ได้อยู่ได้แป๊บเดียวก็ไปแล้วคิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มอะไรไปร้อยแปดพันประการ แตจะให้มาคิดอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนี้อยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนดังนั้นเราจรึงต้องมาฝึกสติฝึกใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธให้ได้ก่อนถ้าใจเราอยู่กับพุทโธได้อยู่เรื่อยๆ เ, เวลามานั่งสมาธิใจก็จะอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่อง แล้วถ้าไม่มีอะไรมารบกวนใจถ้าไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นใจอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้่นีจความจาเป็นของการมีวันพระก็เพื่อจะได้มีการถ้าเราต้องการที่จะสร้างความสุขทางใจด้วยสติด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เราจำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติการเจริญสตินี้ต้องไม่ไปทำงานไม่ต้องไปทางานแล้วก็ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วก็ต้องไม่ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกถ้าเรายังต้องทำงานอยู่วันนี้เราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้ แล้วเราที่ทํางานเราถ้าเราก็มักจะได้ส <Hi. S 1> ัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆหรือในระหว่างที่เราไปทํางานเดินทางไปทํางานหรือกลับบ้านจากการทํางานเราก็จะต้องไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆมันจะทําให้ใจเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้ยากต่อการที่จะทําให้ใจ นิ่งเวลามานั่งสมาธิได้ดังนั้นเราจาเป็นที่จะต้องมีวันหยุดทํางานเพื่อให้เรามีเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมจเจริญสมถะภาวนาก่อน<ม>จเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลานอนหลับ<ม>พอตื่นขึ้นมาเช่นสมมุติวันนี้ถ้าเราถือว่าวันนี้เป็นวันพระ การปฏิบัติทมพอเราเริ่มตื่นขึ้นมาเราก็ถือว่าวันนี้เราไม่ทำอะไรนะการงานเราไม่ไปทำงานนะเราจะทำงานส ม, มะถะภาวนาแทนงานของเราในวันนี้คืองานส ม, มะถะภาวนาคืองานจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธเลยพุโทโธนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ที่ผูกใจ ให้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดได้ถ้าใจเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างอย่างง่ายได้เ <Yeah. S 1> บื้องต้นมันก็ยังอาจจะแวบออกไปคิดได้อยู่เราพุโทโธไปพุโทโธไปบางช่วงเราก็เผลอพอเผลอมันก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> แต่เราก็กลับมาที่พุโทโธพุโทโธ อย่าลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงกับการยึดพุทธโธเป็นที่ผูกใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆต่อไปความคิดต่างๆก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะความเผลอที่จะขึ้นถึงพุทธโธมันน้อยลงไปนี่ถ้าเรามีพุทธโธอยู่อย่างตลอดต่อเ น, นื่องะไนี้ความคิดมันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลย ถ้าความคิดถูลขึ้นมาเมื่อใดก็แสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้พูดโธแล้ว mm. ออันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของยากเย็นมากจนเกินไปมันไม่ได้เป็นเหมือนกับต้องไปแบกแบกของหนักอะไร mm. การปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ต้องใช้กําลังกาย mm. แต่ต้องใช้กําลังใจคือสติ mm. แล้วก็ใช้วิริยะความเพียรพยายาม ต้องมีความเพียรพยายามในการเจริญสติถ้าไม่เพียรพยายามขี้เกียจบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะไม่ทำให้ใจนิ่งสงบได้แต่มันไม่ใช่เป็นงานหนักเหมือนกับการต้องไปทำงานทางโลกทำงานทางโลกนี้ต้องใช้แรงกายบางคนก็ต้องยกของหนักบางคนก็ต้องใช้อ แรงกายทำนู่นทำนี่ไป <Yeah. S 1> ถ้าเปรียบเทียบแล้วงานทางโลกงานทางร่างกายนี้น่าจะหนักกว่างานทางใจ <Yeah. S 1> งานทางใจนี้เราสามารถทำได้ในทุกลี่าบท <Yeah. S 1> เดินก็ทำได้ยืนก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ <Yeah. S 1> แต่ในเบื้องต้นนี้เราจะพยายามละเว้นในท่านอน เพราะท่านอนมันเป็นท่าที่สบายเราจะทำให้เผลิสติหลับได้ง่ายเราจึงไม่นิยมที่จะเจริญสติในท่านอนกันเราก็จเจริญสติในท่ายืนท่าเดินท่านั่งกันหรือถ้าเราต้องทำอะไรบ้างเช่นทำธุรกิจทำความสะอาดร่างกายของเราก็ดีหรือซักเสื้อผ้าก็ดี หรือทำความสะอาดสถานที่เราพักอยู่ก็ดีการทําธุระเหล่านี้เราสามารถเจริญสติควบคู่ไปได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ความคิดเป็นงานที่เรารู้อยู่กับรู้โดยที่ไม่ต้องคิดก็ได้ว่าต้องทําอะไรตอนนั้นเราก็ยังสามารถที่เจริญสติได้อยู่ อาบน้ําก็ให้รู้ว่าเรากำลังอาบน้ําหรือพุโทโธควบคู่ไปกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งนอกจากพุโทโธก็คือการใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นกรรมฐานอันเรียกว่ากายกตาสติการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการการกระทําต่างๆของของร่างกายเราใช้ร่างกายนี้เป็นที่ผูกใจได้ เร้าดูร่างกายแล้วใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ได้ใจก็จะอยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาเราอาจจะสามารถสลับระหว่างกายกับตาสติกับพุทธานุสติก็ได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเบื่อเหนื่อยหรือเบื่อ ก็เปลี่ยนมาเฝ้าดูร่างกายดูในขณนะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวก็ดูที่ร่างกายเช่นถ้ามีการเดินก็ดูที่เท้าเท้าซ้ายท้าขวาก้าวไปซ้ายขวาซ้ายขวาถ้ามีการใช้มือก็ดูที่มือเช่นรับประทานอาหารตักข้าวเข้าไปในปากเคี้ยวกรึน เราก็ดูทุกิริยาบทของการกระทําของร่างกายเฝ้าดูมันเหมือนกับพวบผู้ควบคุมนักโทษร่างกายนี้เป็นเหมือนนักโทษใจนี้เป็นเหมือนผู้ควบคุมนักโทษต้องไม่เผลอปล่อยให้นักโทษอยู่โดยที่ไม่มีใครเฝ้าดูเพราะถ้าเผลอปั๊บนักโทษก็อาจจะหลบหนีไปได้นั่นเองยังตองคอยเฝ้าดูอยู่ทุกเวลา ตรงไหนที่ไม่เฝ้าดูก็ต้องาผูกไว้กับอย่างอื่นเช่นนักโทษเขาก็จะมีโซ่ตรวน<อ>เวลาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมอาจจะต้องไปทำพับธุรกิจเข้าห้องน้ําหรือทำอะไรเขาก็มีโซ่ตรวนผูกไว้ไม่ให้หนีไปได้<อ>ถ้าไม่ใช้การเฝ้าดูร่างกายก็เปลี่ยนมาใช้พุทโธพุทโธก็ได้<อ>สลับกันได้ แล้วจะทำทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยก็ได้ถ้าใจมัน <c oughs> ใช้ดูการร่างกายอย่างเดียวแล้วมันยังเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เอาพุทโธมากํากับอีกการหนึ่งด้วยก็ได้ใช้ทั้งสองอย่างเช่นกำลังเดินเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาก็เดินเป็นพุโทโธพุโทโธไปโดยการรับประทานอาหารก็รับประทานไปพร้อมกับมีพุโทโธพุโทโธควบคู่ไปก็ได้ ก็สำคัญอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองต้องคอยหยุดความคิดให้ได้สกัดความคิดไม่ให้มันคิดหรือให้มันคิดน้อยที่สุดและเวลาที่เรามานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธไปถ้าเราใช้ร่างกายดูร่างกายแล้วก็เปลี่ยนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมาดูที่ลมหายใจแทน เพราะตอนที่นั่งเฉยๆร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรก็ให้มาดูที่ลมหายใจที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ยังมีการเข้าออกของลมหายใจให้ดูที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกคือแถวบริเวณปลายจมูกเหนือเหนือหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาเราจะสัมผัส ร, รับรู้ได้ถึงลมที่กาลังเข้ามาและออกไป เวลาดูลมนีม้เราก็ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องกำหนดล ม, ลมให้หายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆอันนี้ไม่ใช่วิธีของอานาปนาสติ hmm. อ <tad. S 2> านาปนสติ <simples. S 2> คือดูลมให้มีสติรู้อยู่กับการเข้าออกของลมอานาปนแปลว่าลมเข้าลมออกสติ <whichever> แปลว่าการระลึกรู้อยู่การระลึกรู้อยู่กับ การเข้าออกของลมหายใจไม่ได้ให้ไปบังคับให้มันหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเพราะนี่จะเป็นการกระทาเป็นการทำงานของใจถ้าใจยังต้องทำงานอยู่ใจก็จะไม่สามารถนิ่งสงบได้เราไม่ต้องการให้ใจทำงานให้ใจเพียงแต่รู้ตามธรรมชาติของใจ การรู้นี้เป็นเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่เป็นการทํางานมันเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาใจนี้มีความสามารถที่รู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสติคอยกํากับมันก็จะไปรู้กับเรื่องของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมความรู้นี้ ให้รู้อยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นทิศเป็นภัยต่อจิตใจก็คือให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลานั่งสมาธิอย่าไปให้ใจทํางานไม่ต้องไปตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกการตามลมก็เป็นการทํางานของใจอย่างเพราะใจต้องเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งจากปลายจมูกเข้าไปสู่ในข้างใน จากข้างในออกมาที่ปลายจมูกไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้ใจทำงานให้ใจรู้เฉยๆด้วยการดูลมหายใจที่ปลายจมูกพอเราเริ่มดูเราก็ดูเฉยๆเลยไม่ต้องไปบังคับหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าอยู่หรือหายใจออกอยู่แทน ให้รู้แค่นี้รู้ว่ากำลังเข้ารู้ว่ากำลังออกแล้วถ้าดูไปเรื่อยก็จะเห็นความแตกต่างของลม<ๆ>ก็จะเห็นว่าลมนี้เริ่มละเอียดเข้าเริ่มยาวขึ้นอตอนเริ่มต้นนี้รู้สึกบันหยาบแล้วก็หายใจสัน้นแต่พอนั่งไปนานๆเข้าใจเริ่มสงบขึ้นลมก็จะเริ่มละเอียดขึ้นยาวขึ้นไปก็ให้รู้เฉย ไม่ต้องไปทำอะไรกับลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมนะให้สั้นหรือยาวให้หยาบหรือละเอียดเพราะอนี้ไม่ใช่เป็นการภาวนาการภาวนานี้เพื่อทำใจให้รู้เฉยๆกับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองแม้กระทั่งถ้าลมละเอียดจนไม่สามารถจับลมได้ก็ให้รู้อยู่ที่จุดเดิม รู้ว่าตรงนี้ลมมันละเอียดจนไม่สามารถจับได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้อยู่ที่จุดเดิม น, นั่นอยู่ที่ปลายจมูกต่อไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นก็ใกล้กับเวลาที่จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบถ้าดูไปไม่เคลื่อนไม่ย้ายที่ดูไม่วิ่งหาลมไม่กลัวว่าจะตายเพราะว่าพอไปคิดว่าเมื่อไม่มีลมหายใจเราจะตายหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวลมยังมีอยู่เพียงแต่มันจะละเอียดจนเราไม่สามารถจับบันได้รับรู้บันได้ถ้าเรารู้ไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกับตั้งแต่เราเริ่มต้นมานี้ไม่เคลื่อนย้ายที่ที่รู้อยู่เนี้เดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอมันรวมปั๊บนี้ความรับรู้ทางลมนี้ก็จะหายไปเลยบางทีร่างกายก็หายไป สักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบพอถึงจุดนั้นแล้วให้ทำไงก็ให้ให้มีสติประคับประคองตัวรู้ให้รู้อยู่กับความสงบนี้ไปอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็หยุดมันให้มันอยู่กับความนิ่งเฉยเพราะตอนนั้นสติเราจะมีกำลัง ที่จะหยุดความคิดได้พอรู้ว่ากำลังจะคิดอะไรก็อย่าไปคิดตามทั้งเองความคิดก็จะหยุดไปได้ <Yeah. S 2> ให้พยายามรักษาความสงบนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ <Yeah. S 2> เพราะมันเป็นความสุขพู้ตามความจริงแล้วถ้าถ้าไปเจอความสง บ, บแบบนี้แล้วไม่จะไม่ต้องถามใครว่าให้ทาอย่างไรเพราะรู้ว่ามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เราอยากจะให้มัน อยู่ไปนานๆแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันจะทำให้มันอยู่ได้ไม่นานก็อยู่ที่ความคิดของเรานั่นเองเฉนั้นถ้ามันจะเริ่มคิดเราก็หยุดมันให้มันรู้เฉยๆไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะไม่สามารถที่จะสู้กับความคิดได้ถ้าเราอยากจะให้มันกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ต้องกลับมาดูลมใหม่ อมันเริ่มคิดพอจิตออกจากสมาธิมามันก็จะมารับรู้เรื่องเรื่องลมหายใจต่อถ้าเราอยากจะให้มันกลับเข้าไปใหม่เราก็ต้องทำใหม่ต้องดูลมใหม่ น, นี่คือขั้นสมรถะขั้นสมาธิที่ต้องใช้สติเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจสงบได้ถ้าไม่มีสตินี้ ใหจะไม่มีวันที่จะสงบได้เลยแล้วการที่เราจะสามารถเข้าสมาธิได้นั่งสมาธิได้จเจริญสติได้นี้เราก็ต้องมีมาตรการคอยกำจัดอุปสรรคที่ขวางการปฏิบัติขวางการจเจริญสติของอุปสรรคที่จะมาขวางการจเจริญสติการนั่งสมาธินี้คืออะไรเราเรียกว่านิวรณ นิวรณ์นี่มีอยู่ห้าชนิดด้วยกันเช่นชนิดที่หนึ่งคือการมฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพพะความอยากดูหนังฟังอยากดูนูน่นฟังนูน่นฟังนี่อยากจะดืมนั่นดื่มนี่นิ้มรส ด, ดมกลิน่นอยากจะไปชมสถานที่นั่นสถานที่นี่ถ้าเกิดมีความอยากในการมาฉันทะนี่ มันจะทำให้ไม่อยากไปเจริญสติไปนั่งสมาธิงั้นต้องคอยหามาตรการกําจัดการมชันทะมาตรการที่เราจะใช้ก็มีอยู่อันหนึ่งอันแรกก็คือการรักษาศีนแปดนี่ปกติเราจะรักษาศีห้าสีห้านี้ไม่มีมาตรการควบคุมความอยากที่จะไปเสรรูปเสียงกลิ่นลด สินห้านี้ยังอนุญาตให้เส ร, รูปเสียงกลิ่นรูได้เพียงแต่ว่าให้มันเสบในรูปแบบที่ไม่เป็นบาปเช่นเราอยากยังอยากจะร่วมเพศร่วมหลับนอนก็ต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราร่วมหลับนอนกับแฟนกับภรรยาสามีของเราเท่านั้นเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นเพราะการไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมา แทนที่จะได้ความสุขก็จะมีความทุกข์ตามมามีปัญหาตามมางนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าเราต้องอยากเสพลูกเสียงกิ่นลดอยู่ก็ให้เสพแบบปลอดภัยเช่นนุ่มห ล, ลับนอนกับแฟนแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้เราไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไม่ห้ามไม่ให้เราไปไปดื่มไปรับประทานอะไรอยากจะดื่มรับประทานอะไรเท่าไหร่ก็ทำได้นี่คือหน้าที่ สินห้ามไม่ได้ห้ามสินห้าเพียงแต่ห้ามไม่ให้ทำบาปไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีไม่ให้พูดปดไม่ให้ดื่มสุรายาเมาเท่านั้นแต่ไม่ได้ห้ามเรื่องของเรื่องการไปเสพลูกเสียงกขลิดที่เป็นตัวสร้างอุปสรรคคือ น, นิวรณ์ต่อการเข้าสมาธิต่อการฝึกสมาธิถ้าเราอยากที่จะควบคุมหรือกำจัดการมฉันทะ เราก็ต้องเพิ่มศีลอีกสามข้อคือถือศีลแปดแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อสามให้เป็นอบรารัมมัจเรียคือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับกับคู่ครองหรือกับใครก็ตามไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้เสพการไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสทางร่วมการร่วมหลับนอนไม่ให้เสพ รูปเสียงกินลดทางรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ให้หยุดแล้วก็ไม่ให้เสพลูกเสียงกินลดทางมาหรสลพบันเทงิงดูหนังฟังเพลงหรือการเสริมสวยความงามของทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสมาฯต่างๆแล้วก็ความสุขที่ได้จาก เสบรูปเสียงจากการลุกจากการหลับนอนบนที่นอนที่มันสุกมันสบายมันก็จะนอนมากเกินไปจะทําทให้เสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปอันนี้คือมาตรการที่ต้องใช้ในการป้องกันไม่ให้การมาฉันท่เกิดขึ้นอพอเราอยากจะดูหนังฟังเพลงแล้วก็วโอ้ยเราทําไม่ได้เราถือศีลแปเราอยากจะนอ น, น, อนกับแฟนก็นอนไม่ได้เพราะเราถือศีลแป เราอยากจะกินอาหารตอนมื้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ทําไม่ได้เพราะเรากินอาหารได้เพียงช่วงขณะเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ mm hmm. นี่คือวิธีแก้นิวรณ์คือการมฉันทะเพราะถ้ามีการมฉันทะเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบใจจะคิดถึงแต่รูปเสียงกลิ่น คิดถึงวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกินรสต่างๆไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูหนังฟังเพลงที่ไหนดีไปดูละครที่ไหนดีจะใส่เสื้อผ้าแต่งกายชุดไหนดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาเดินจงกรมเจริญสติพุทธโธพุทธโธให้เราต้องมีมาตรการคอยกำจัดนิวรณ์หรืออุปสรรคที่ขวางกาั้นการปฏิบัตินั่นเอง นอกจากการถือศีลแปดแล้วเรายัางต้องเลือกไปอยู่ที่สถานที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยเพราะว่าถึงถ้าถึงแม้เราจะถือศีลแปดถ้าเราอยู่ใกล้กันความอยากมันก็อาจจะยังจะโผล่ขึ้นมาได้เอ็นจะอยู่ใกล้แฟนขึ้นมานี้เดี๋ยวก็มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้เั็นต้องแยกกันอยู่ถ้าถ้าถือศีลแปดถ้าต้องการจะเจริญสติเจริญสมถะภาวนา ทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เกิดความสงบขึ้นมาต้องอย่าอยู่ใกล้แฟนอย่าอยู่ใกล้อาหารอย่าอยู่ใกล้ตู้เย็นอย่าอยู่ใกล้ที่มีที่เราของกินที่เราหยิบขึ้นมากินได้อย่างง่ายดาย mm hmm. แล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้จอภาพหรือเครื่องเสียงต่างๆจอภาพยนตร์โทรศัพท์มือถือนี่มีทั้งภาพมีทั้งเสียงให้เสพอยู่อย่างอย่างสะดวกง่ายดาย ถ้าปิดได้ก็ปิดไปเลยไม่ต้องติดต่อกับใครเอาเอาใส่ตู้ลิ้นชักใส่กุญแจไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันวันหนึ่งเออมื่อก่อนเราไม่มีมือถือเราก็อยู่กันได้เมื่อก่อนเราไม่มีทีวีเราก็อยู่กันได้สมัยพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่มีมือถือไม่มีทีวีการมาฉันท่านี่เกิดขึ้นได้ยากกว่าสมัยนี้มากสมัยนี้การปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิจึงยากมากเพราะมีนิวรมีอุปสรรคคอย คอยขวางกั้นอยู่มากกว่าสมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธการนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีไฟฟ้าตอนคืนมืดแล้วก็ไม่ต้องมีการดูการลเล่นต่างๆถ้ามีไฟฟ้าก็ยังอาจจะมีการแสดงละครมีการเล่นทีเล่นลิเกเล่นยิ้วอะไรต่างๆให้ดูกันแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้านี่มันก็ไม่รู้จะดูอะไรกันได้ คนสมัยพุทธกาลจึงบรรุ ธ, ธรรมได้ง่ายกว่าคนสมัยปัจจุบันพราเราอยู่ในยุคของความเจริญของกิเลสตัณหายุคของความเจริญของกามฉันทะยิ่งกา마ฉันทะเจริญมากขึ้นเท่าไหร่การเจริญทางธรรมนี้ก็จะยากขึ้นไปเท่านั้นต้องมีความเด็ดเดี่ยวต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่อยากจะปฏิบัติ จเจริญสตินั่งสมาธิถึงจะสามารถฟันฝ่านิวรณ์ตัวนี้ได้การถือศีลแปดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ต้องอยู่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าอยู่ใกล้คนที่เราเอยร่วมหลับนอนกันอย่าอยู่ใกล้อาหารอย่าอยู่ใกล้อย่าเดินผ่านร้านอาหารอย่าเดินผ่านโรงภาพยนตร์โรงละคร สมัยนี้ถ้ามีมือถือก็อย่าไปเปิดมือถือเปิดแล้วเดี๋ยวก็นั่งดูไปเป็นชั่วโมงเลยเถอะแทนที่จะไปพุทโธพุทโธแทนที่จะไปเดินจงกรมก็มานั่งดูแล้วนั่งดูรูปเสียงกินรถ ด, ดูรูปดูเสียงทางจอโทรมือถือแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดอารมณ์โลภอารมณ์อยากขึ้นมาบางทีก็เลยต้องไปทาตามความโลภอยากจะไป ช้อปปิ้งหรือมีข้าวมีของให้ซื้อกันก็ไปยุ่งกับเรื่องช้อปปิ้งอยากจะไปกินไปดื่มที่ร้านอาหารนั้นอาหารนี้ก็ไปกันการที่เราจะมาเจริญสตินั่งสมาธิก็เลยเป็นไปไม่ได้อันนี้นิวรตัวนี้สาคัญมากต้องพยายามกําจัดมันในวันที่เราต้องการจ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิ อย่าให้มันเข้ามาลบควนใจเป็นอันขาดถือศีลแปดไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกเช่นตามวัดปฏิบัติสถานที่ปฏิบัติอาหารที่เหล่านั้นเขาจะคอยกำจัดไม่ให้มีรูปเสียงกินรสมายั่วยวนกวนใจไม่ให้มีอาหารให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมีแต่สัมมีแต่ความสงบเงียบจากเสียงของธรรมชาติเสียงของธรรมชาตินี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยไม่สร้างกามฉันทะขึ้นมา เสียงก็ดีรูปก็ดีของธรรมชาติรูปของภูเขาต้นไม้ลำธาร น, นี้อย่าไม่กระตุ้นให้เกิดการมฉันทะขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติธรรมจึงมักจะต้องไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้คืออยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องก่อสร้างปรุงแต่งของของกิเลส ข, ของมนุษย์ เพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกามาฉันทะนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์นี้สร้างขึ้นมากันนี้สร้างเพื่อตอบสนองกามาฉันทะแม้แต่อาหารปัจจัยสี่ก็ยังมีกามาฉันทะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำอาหารก็ต้องน่าดูน่าชมน่ากินสร้างบ้านก็ต้องเปินบ้านที่สวยงามอยากจะอยู่เสื้อผ้าก็ต้องสวยงามนอยากจะใส่ อยารักษาโรคสมัยนี้ยังต้องสร้างโรงพยาบาลเอกชนให้มันอยู่เหมือนกับอยู่โรงแรมนจะได้ไม่รู้สึกทุกข์จากการมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นเรื่องของการมฉันทะาทางนั้นดังนั้นถ้าอยากที่จะป้องกันไม่ให้การมฉันท่าเกิดขึ้นก็จําเป็นจะต้องอยู่ห่างกายจากสิ่งเหล่านี้ถือศีลแล้วยังต้องอยู่ห่างกายด้วยเพราะว่าถึงแม้จะถือศีล ถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวมันเกิดความอยากขึ้นมาศีลก็อาจจะขาดได้แต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลนี่มันจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าแต่ก็ยังเกิดขึ้นได้ก็คือเรายังอาจจะคิดถึงมันได้อยู่อาจจะคิดถึงแฟนคิดถึงคู่ครองของเราคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆที่เราเคยเสพอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นติดเป็นนิสัยฝังอยู่ในใจพอเคยดื่ม เคยดื่มเคยรับประทานอะไรพอถึงเวลานั้นมันก็จะคิดถึงเครื่องดื่มนั้นคิดถึงอาหารชนิดนั้นขึ้นมาทันทีในตอนนั้นอนะ่ะก็ต้องเจริญสติเนี่ยถ้าไม่ไม่เจริญสติเดี๋ยวก็ไปคิดทางกรรมามาฉันทะขึ้นมาขึ้นไปทางรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาคิดไปแล้วเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปทําตามความคิดอยากอยากจะดูอะไรก็เดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปเปิดมือถือดูอยากจะฟังอะไรก็ ฟังผ่า น, านทางมือถือถ้าอยากคิดถึงแฟนเดี๋ยวก็กลับบ้านดีกว่าปฏิบัติไม่ได้นะใจมันร้อนขึ้นมานะใจมันคิดถึงแฟนขึ้นมานะวิธีป้องกันความคิดเหล่านี้ก็ต้องเจริญสตนะิตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยต้องคอยควบคุมความคิดเหล่านี้ให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดนะคิดไปในทางการมาฉันทะนะถ้าคิดแล้วมันจะทาให้ใจวุ่นวายใจริ้นหลอนใจงุนหงิด ใจไม่มีความสุขจำเป็นจะต้องไปเสพ ร, รูปสเสียงกยลิ่นรสตรงนี้ทาให้ความรู้สึกวุดหติดลาคาญใจความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอมันหายไปชั่วคราวแต่มันก็จะทําทให้ติดเพราะ ส, สักพักหนึ่งหลังจากที่ได้เสพแล้วมันความสงบของใจที่เกิดจากการได้เสพมันก็ปรากฏขึ้นอยู่ชั่วคราวใจหยุดดิ้นใจหยุดอยากหยุดโลภหยุดการมัฉันทะได้ชั่วคราว เดี๋ยวถ้าพังพอความสุขที่ได้จากการเสกกรรมว่าฉันท่าหมดไปความรู้สึกอยากจะเสบกามว่าฉันท่าใหม่ <t> ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นวงจรอุบาทก็จะเป็นนัญญาเสกติดเสกแล้วก็ติด <t> พอลทิ์ยาหมดก็อยากจะเสกใหม่พอฤทธิ์ของความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดหมดไปความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดใหม่ก็ผขึ้นมาอีก มันก็จะโผล่มาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้การเจริญสตินั่งสมาธิทำได้ยากถ้าทำได้ก็ทำได้น้อยมากแค่อาจจะนั่งได้ครั้งละสามสิบนาทีแล้วก็นั่งแบบไม่มีผลอะไรนั่งแล้วจิตก็ไม่สงบเพราะนั่งแล้วใจก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อย ถ้าอยากจะนั่งแล้วให้มันได้ผลนี่มันจะต้องคอยควบคุมความคิดทั้งวันทั้งคืนเลยในระหว่างเวลาที่เราไม่ได้นั่งก่อนที่เราจะมานั่งนี่เราต้องควบคุมความคิดไว้ก่อนแล้วแล้วเวลามานั่งความคิดมันก็จะได้ไม่มีมากไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะทําให้ใจนิ่งเข้าสู่ความสง บ, บได้หลังจากออกจากความสง บ, บมาก็ต้องเจริญสติต่ตอไปต้องเจริญไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าเราจะ มีสติแบบต่อเนื่องมีอยู่ตลอดเวลาไ <listener. S 1> ม่ค่อยลอยไปกับเรื่องนั้นไม่ค่อยไปลอยไปกับเรื่องนี้อยู <anchor. S 1> ่กับปัจจุบัน <überhaupt. S 1> อยู่กับพุทธโธอยู่กับร่างกายห <ư. S 1> รือถ้าไม่ไม่มีความคิดก็ให้ลูกเฉยๆดูใจไปเฉยๆดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทธโธถ้ถามันไม่ลอยไปกับความคิดก็ถ้ามันอยู่กับร่างกายก็อย <medio S 1> ู่กับร่างกายไป แตถ้ามันจะลอยไปเราก็ดึงมันกลับมาที่ร่างกายหรือดึงมันกลับมาที่พุทโธพุทโธท mm hmm. ต้องทำอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถควบคุมใจให้อยู่ภายใต้อนานาจของสติให้ได้ก่อนเว mm hmm. ลานั่งสมาธิ mm hmm. ก็สามารถเข้าสมาธิได้ mm hmm. ทุกครั้งไปแล้วเข้าได้อย่างง่ายดายแล้วรวดเร็วห้านาทีสิบนาทีก็เข้าสู่ความสงบได้แล้วก็อยู่ได้นานได้ได้เป็นหลายสิบนาทีด้วยกัน mm hmm. ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนฝึกสติฝึกสมาธิสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นพื้นฐานก่อนจนกระทั่งเรามีความสุขความสงบแทบจะตลอดเวลาสุขสงบในขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วสุขสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอาความสุขสงบเสื่อมลงไปหายไปลดน้อยถอยลงไปเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อน นี่ขั้นตอนของการฝึกสมาธินี้เราต้องทำให้มันชนานาญทำให้มันสามารถทาให้ใจเรานี้มีความสุขกับความสงบได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนก่อนที่เราจะไปทางวิปัสสนาทางปัญญาเพราะถ้าเราไปทางปัญญานี้มันจะต้องใช้ความคิดนั่นเองแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราไปคิดทางทางอื่นแทนที่จะคิดทางปัญญาไปคิดทางกิเลสเข้า ความฟุ้งซ่านความเครยียดความร้อนของใจก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่าเราเผลอเราไม่ได้คิดถึงทางปัญญาเริ่มไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงกา ร, รมฉันทะแล้วเราก็สามารถหยุดมันได้ทันทีถ้าเรามีความชานาญในการเข้าสมาธิเราก็หยุดพิจารณาทางปัญญาก่อนแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนแสดงว่ากําลังของสมาธิกําลังของสติมันอ่อนลง ต้องเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเขากลับเข้าไปในสมาธิก่อนแล้วเวลาออกมาถ้าากสมาธิแล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญาเห็นพิจารณาความไม่เที่ยงไอ้ตัวนี้เป็นตัวสาคัญคือต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเช่นลาบยศสารเสริญสงขนี้ก็ไม่เที่ยงบุคคลร่างกายของทุกคนก็ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย ความไม่เที่ยงมันเลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้ร่างกายเที่ยงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องจต้องตายนี่พอเวลามันเจ็บมันจะไม่ทุกข์เพราะว่ามันรู้ว่าถ้าอยากให้มันไม่เจ็บมันจะทุกข์แล้วก็ไม่ปหยุดความเจ็บไข้ได้ ไ, mulher, ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้เจ็บไข้ like ขได้ป่วยไม่ได้การเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนาึน่ง แ, แต่ความทุกข์ทางใจนี้เราสามารถ ız, ดับมันได้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าเราห้ามไม่ได้ห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้แล้วความอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้อยากให้มันหายไปนี้มันจะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา เราก็หยุดความอยากอันนี้ได้แต่อันนี้ต้องมาทีหลังหลังจากที่เราได้สมาธิก่อนชานาญในทางสมาธิก่อนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสมาธินี่เวลาที่เราออกมาทางปัญญาแล้วเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราแทนที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วกลับไปเห็นว่ามันเที่ยงสิแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นนิจจังกลับเห็นกลับไปคิดว่ามันเป็นนิจจัง อ่นนี้จะเห็นว่ามันเป็นทุกขังก็ไปเห็นว่ามันเป็นสุขขังแท่นที่จะเห็นว่าไม่มีตัวตนก็กลับไปเห็นว่ามันมีตัวตนเป็นเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแท่นที่จะเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็กลับไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขังอัตตาก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ร้อนใจขึ้นมาทันทีและพอได้มาแล้ว ก็เกิดความอยากที่อยากจะให้สิ่งที่เราได้มาอยู่กับเราไปนานๆให้ความสุขกับเราไปนานๆแต่พอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการให้ความสุขมาเป็นการให้ให้ความทุกข์ไม่ให้ความสุขเมื่อไหร่ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีเรือเวลามันต้องจากเราไปเพราะเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราได้ตลอดเวลาพอมันจากเราไปมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นเลย แต่ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะระงับความอยากที่จะไปอยากได้สิ่งนั้นมาได้เราสามารถอยู่กับความสงบได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้เพราะเราสามารถควบคุมใจเราไม่ให้คิดไม่ให้อยากได้เวลาใจไม่คิดใจไม่อยากแล้วใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราอยากได้ อันนี้คือขั้นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอนิจจังมันเลยทําให้ใจทุกข์เพราะใจอยากให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันยั่งยืนถาวรแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันยั่งยืนถาวรพอเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้เป็นของของใคร ของต่าง ๆ, ๆที่มีในโลกนี้เป็นของธรรมชาติเป็นการปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถที่จะเก็บสิ่งต่างๆที่เรามีได้อยู่กับเราไปได้ตลอดร่างกายที่เรามีอยู่นี้วันหนึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องจากมันไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราหาได้จากจากการใช้ร่างกายนี้ก็จะต้องหมดไปเช่นเดียวกันพอไม่มีร่างกายนี้แล้วเราก็ไม่สามารถครอบครอง ลาบยดจัลสนสุขที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายได้อีกต่อไปเราก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของยั่งยืนเป็นของทาวรเวลาเราต้องจากมันไปเวลานั้นเราก็จะเตอกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเรามีปัญญาเร า, าระงับความอยากในสิ่งเหล่า น, นี้ได้เราไม่ยึดไม่ติด เราไม่ต้องอาศัยมันให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถอยู่แบบไม่มีความอยากได้เวลาเราไม่มีความอยากใจเราก็จะสงบใจเราก็จะมีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ยั่งยืนอยู่กับใจไปตลอดเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ความสุขนี้หายไปนอกจากความอยากแต่ความอยากถ้าเรากำจัดด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเพราะเรารู้ว่า สิ่งที่เรามันอยากได้มันเป็นทุกข์เมื่อมันรู้ว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ sí. ความอยากที่เคยโผล่ขึ้นมามันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะมันไม่รู้มันไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาทําไมโผลขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถไปทําตา ม, ตามความอยากได้เพราะสิ่งที่อยากมันเห็นว่าเป็นทุกข์นั่นเองมันเลยก็ไม่กล้าอยากขึ้นมาความอยากก็เลยไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเมื่อใจไม่มีความอยากใจก็จะนิ่งสงบไปอย่างถาวรใจที่ปราศจากความอยาก เรียกว่าเป็นนิพพานขึ้นอ่ะปาจจากความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาพอกําจัดได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็จะสงบไปอย่างยั่งยืนถาวรใจก็จะมีแต่บรลลปมสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่หมดไม่เหมือนกับความสุขทางโลกทางร่างกาย ที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องเสื่อมที่ต้องหมดและเวลาเสื่อมเวลามันเสื่อมมัหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีการที่เราที่พูดเจ้าต้องการให้พวกเรามาปฏิบัติกันในวันพระเอาเวลามาเจริญสติมารักอ่ามาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขจากการสงบให้ได้ก่อน ทำให้ชำนาญก่อนทำทั้งวันทั้งคืนในหนึ่งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนไม่ต้องทาอะไรจะเจริญสติกับนั่งสมาธิสองอย่างนี้ก่อนโดยอาศัย ศ, ศ, ศีลนะศีลแปดเป็นผู้คอยคอยป้องกันไม่ให้เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการมาฉันทะเนีแล้วถ้าเราทาได้ต่อไปเราจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไม่มีเงินมีทองเราก็มีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมีทอง ไม่มีแฟนเราก็จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีแฟนเพราะความสุขจากการมีเงินมีทงมีแฟนมันสลับไปสลับมาบางทีก็สุขบางทีก็ทุกเวลาได้อยู่กับแฟนก็สุขเวลาไม่ได้อยู่ใกล้แฟนก็ทุกหรือเวลาทะเลาะกับแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกแต่อยู่คนเดียวอาศัยความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาและเราถ้าเราสามารถทาให้มันสงบได้ เราก็จะสามารถทำให้มันสงบไปได้เรื่อยๆแต่แม้ว่าจะเป็นขั้นสติเป็นขั้นชั่วคราวเราก็สามารถทำให้มันต่อเนื่องได้แล้วเราก็ไปขั้นปัญญาพอเราได้ขั้นปัญญาเราก็จะทำให้ใจสงบอย่างถาวรด้วยการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่วุ่นวายต่อไปใจที่ไม่วุ่นวายก็คือใจที่สงบใจที่มีความสุขตลอดเวลา นี่คือภารกิจวันพระวันที่พระพเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทมาฝึกหัดกันมาสร้างความสุขทางใจกันด้วยการไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวก<ม>ถือศีลแปดจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมไปจ<ม>นกว่าเราจะมีความชำนาญความสามารถที่จะเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลามีความสงบได้ทั้งวันทั้งคืน ถ้าเราค่อยมาเจริญปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรักให้หมดแล้วเราจะได้หยุดความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบให้กับใจพอไม่มีความอยากของเหลืออยูใจใจก็จะสงบตลอดเวลาตอนนั้นใจก็ไม่ต้องมีอะไรทาไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะตัวที่มาสร้างก่อควรความวุ่นวายใจมันหายไปหมดนะใจสงบตลอดเวลาใจมีความสุขตลอดเวลาวุสิตังบ ร, รมจเรย์ กิในพรหมจรก็สิ้นสุดลงกิในวันพระก็หมดสิ้นลงไม่ต้องมีวันพระอีกต่อไปเพราะทุกวันใจไม่มีปัญหากับอะไรใจก็สงบใจก็สุขตลอดเวลานี่ก็คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปิริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานางอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ อาราสุยัตสัิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขิติคาโยโกภวะอภิวาตนศีลิสานิจจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขัง พาลา่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เข็นใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ครับปริญครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ368ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ357ท่านทาง YouTube ดรวี51ท่านทางวิทยุออนไลน์11ท่านクับ h ฮ u s e 8ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ9 6ท่านรวมทั้งหมด891ท่านครับ กราบในมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามฝากถามเข้ามาว่าขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งถ้าใจเรายังหวั่นไหวกระเพิ่มอยู่เวลาได้ยินได้ฟังแม้จะไม่ถึงขั้นจิตตกก็ยังถือว่าเรายังไม่ผ่านปัญหานั้นต้องหมั่นเจริญสติทําสมาธิเพิ่มกำลังอุเบกขาเพื่อพิจารณาปล่อยวางใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้อง ข้อสองเจ้าค่ะวิธีตรวจสอบว่าเราปล่อยวางปัญหาได้จริงคือใจเราจะเฉยไม่มีอารมณ์ยินดียินร้ายเวลาเจอกระทบใช่ไหม่เจ้าค่ะถูกต้องคำถามต่อไปจากคุณสาธิตเจ้าค่ะถ้ามีปลวกขึ้นบ้านเราแล้วเราเอายามากำจัดปลวกเราจะบาปไหมครับแล้วควรจะทำอย่างไรดีครับถ้าเราทำให้มันตายก็บาป แต่ถ้าเราทำให้มันไม่ให้ขึ้นบ้านได้ปิดทางขึ้นลงส่วนที่อยู่ก็ไปมันอยู่ไปส่วนที่ขึ้นลงมันก็ขึ้นมาไม่ได้พวกที่อยู่เก่าต่อไปมันก็ตายของมันเองเจ้าค่ะก็ปิดทางปิดทางการไม่ให้มันขึ้นขึ้นมาก็แล้วกันแต่อย่าไปทำให้มันตายให้มันตายของมันเองเรอย่าไปทำให้มันตายจักคุณนาวินเจ้าค่ะ กราบเรียนพระอาจารย์การเข้าสมาธิต่างจากการงีบหลับอย่างไรครับเพราะทุกครั้งที่เข้าสมาธินาฬิกาจะแสดงว่างีบหลับครับออต่างกันตรงที่มีสติแล้วไม่มีสติไงถ้ามีสติก็เป็นสมาธิถ้าไม่มีสติก็หลับออกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะการที่เราไปใส่บาตรทุกๆเช้าเนี่ค่ะ เราจำเป็นที่จะต้องกรวดน้ำให้ญาติที่เสียชีวิตไปทุกครั้งไหมคะก็อยอยู่ที่เราเราอยากจะกรวดก็ได้ไม่กลวดก็ได้ถ้ากรวดเขาก็ได้รับถ้าเขารออยู่ถ้าไม่กลวดเลยไม่กรวดเขาก็ไม่ได้รับแต่เราไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ใช้ใช้ใจวิธีไหนที่ไม่ต้องใช้น้ำเขาเวลาไปแล้วมันเราไม่ได้พกน้ำไปไม่ต้องใช้น้ำเลยก็นั่งอธิษฐานจิตไป ใช้อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตบ่าเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ร่องรับไปแล้วก็เสร็จนะก็ขอบคุณค่ะคนเยวทิศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ต้องใช้น้ำนํำไม่จําเป็นต้องใช้น้ําน้ํานี่เป็นของศาสนาพราหมณ์เขานี่คนบางคนไม่เข้าใจว่าบุญมันเป็นยังไงก็เลยเอาเอาน้ํามาเป็นตัวตัวแบบแทนนั่นเองเจ้าค่ะ จากคุณใบยกถามเข้ามาทางช่องดรวีเจ้าค่ะสิ่งที่ลูกได้จากการปฏิบัติสมาธิคือเวลาลูกได้ยินหรือเจอการกระทำและคำพูดที่ไม่ใช่ผลดีลูกก็บอกว่าอ่อนนั่นคำพูดเขาอ่อนนั่นการกระทำของเขาการกระทำของเราคือเฉยดีที่สุดคิดแบบนี้ใจลูกก็วานเจ้าค่ะ นี่คือปัญญาที่เกิดจากสมาธิถูกทางแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์เมตตาชิแนะหนูด้วยค่ะเออก็ปัญญาก็ไม่ได้เกิดจากสมาธิปัญญาเกิดจากการค่ควๆพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าไปตอบโต้เขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทุกร้อนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซืออยู่เฉยๆดีกว่าอันนี้เป็นปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิสมาธิมีเพียงดาช่วยให้เราอยู่เฉยๆได้ พอเรามีสมาธิใจเราจะนิ่งเฉยเราจะไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะจากคุณพลอยกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าจิตเราเป็นเหมือนเด็กเราต้องทําอย่างไรให้จิตโตเป็นผู้ใหญ่เจ้าคะก็สอนไงสอนด้วยสติสอนด้วยปัญญาสอนให้เป็นจิตที่มีอยู่ในกรอบของความสงบด้วยสติ แล้วก็สอนด้วยปัญญาให้ไม่ให้ไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจด้วยการทําตามความโลภความโกรธความหลงต่างๆจากคุณชวนชมเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอรหันต์จิตใจท่านต้องเย็นใช่ไหมเจ้าค่ะทำ อ, อะไรนะจิตใจของพระอรหันต์เจ้าค่ะต้องเย็นใช่ไหมเจ้าค่ะก็ลองทําดูเลยต้องหาตัวเย็นมาใส่ ตูวเย็ยนก็คือภาวนาภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วน า, า, วนาพอตัวเย็ยนทำงานเต็มที่ใจก็จะเย็ยนขึ้นมาเองเค่ะอย่างอย่างเราทำงานช่วยพระอาจารย์หรือว่าช่วยที่วัดอะไรค่ะเราสามารถบุทิบุญได้เลยใช่ไหมั้ยค่ะได้ทำความดีกับใครก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องทำกับวัดกับพระอย่างเดียวเลี้ยงสุนัขให้มัน ช่วยสุนักจอนจัดให้มันไม่มีทุกข์ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันอที่ได้เหมือนกันเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งถ้าอยากจะถามก็าถามได้นะมีคุณหนึ่งถามเข้ามาแล้วเจ้าค่ะว่าขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่นั่งสมาธิไปสักระยะเวลาหนึ่ง ใจจะรู้สึกเฉยๆโดยไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธไม่คิดแต่ก็พอความมีความคิดกลับมาก็ภาวนาพุทโธต่อแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องถ้าใจเฉยได้ก็ถือว่าใช้ได้เจ้าค่ะคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนากูติเจ้าค่ะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งคนเราเวลาปฏิบัติ ไปรู้จักคนรู้จักคุ้นเคยจึงหายออกไปจุดเริ่มต้นของการเข้าวัดระหว่างศีลกับศรัทธาอะไรมาก่อนกันและอะไรสำคัญกว่าเจ้าคะระหว่างศรัทธากับอะไรนะกับศีลเนาเจ้าคะศรัทธาต้องมาก่อน<ะ>เราต้องมีความยินดีมีความเชื่อว่าการเข้าวัดมีคุณมีประโยชน์กับเราเรวก็เข้าวัดพอเราเข้าวัดเราก็ต้องรักษาศีลกัน นี้เป็นกฎระเบียบของวัดซค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาค่ะสาธุค่ะขอถามหลวงพ่อค่ะเวลาปฏิบัติอะคะ่ะชอบพอนั่งไปเรื่อยๆแล้วเหมือนพอลมมันเบาๆก็จะง่วงนอนอยู่ตลอดเลยค่ะง่วงนอนเลยค่ะ อันนี้ก็ต้องแก้นิวรณความง่วงนอนด้วยการกินข้าวให้น้อยลงค่ะคือโยมทานข้าวน้อยลงแล้วค่ะแล้วก็ดูที่หลวงพ่อแนะนําว่าให้ไปอยู่ที่กลัวใช่ไหมค ะ, ะแต่พอเคยชินมันก็หายกลัวมันก็ไม่ง่วงอีกเหมือนกันนะคะก็ย้ายที่ใหม่ <c oughs> มย้ายทีใ่ใหม่ๆเรื่อยๆที่มันน่ากลัวมันก็จะมีความสติมีความระมัดระวังมีความตื่นตัวขึ้นมา ค่ะแล้วก็ลองว่านั่งให้เจ็บปวดอะคะ่ะคือลองนั่งขัดสมาธิเพจอะคะ่ะปรากฏว่ามันเจ็บมากเกินไปก็เลยไม่มีสมาธิเลยอะคะ่ปะปติเรายังมีกําลังน้อยเลยถ้าเกิดเวลาเจ็บปวดแล้วถ้าเราใช้คําบริการพุทโธได้มันก็จะบรรเทาความเจ็บปวดได้ค่ะงั้นถ้าเวลาเจ็บปวดอย่านั่งเฉยเฉยอย่าไปอยากให้มันหายให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพราะความอยากที่ให้มันหายมันจะสร้างความเครียดขึ้นมาทางใจ ถ้าเราอยุดความเครียดได้เราก็จะอยู่ความเจ็บปวดของทางร่างกายได้เ อ, อเรื่องการผ่อนอาหารนะคะคือปกติก็ผ่อนลงแล้วถ้ายังหลับอีกทํายังไงอะคะก็ผ่อนหลายวันสองวันสามวันไปคือมาที่นี่ครั้งแรกอะคะ่ะเพิ่งลองกินมื้อเดียวหิวมากเลยะคะ่ะจะสู้ยังไงอะคะถ้ายังไม่มีสมาธิที่ดีพออะคะ่ะก็บอกว่า ถ้าอยากจะได้ของดีก็ต้องก็ต้องก็ต้องเจ็บหน่อยเหมือนฉีดยาถ้าอยากจะเวลาไปถอนฟันถ้าไม่ฉีดยาชามันก็จะเวลาถอนฟันมันก็จะเจ็บมากก็ยอมเจ็บจากการฉีดยาชาดีกว่าเจ็บจากการถอนฟันก็คือให้ทนหิวเอาใช่ไหมคะต้องทนเนาะธรรมมันไม่มาง่ายๆหรอถ้ามาง่ายๆก็มีพระพุทธเจ้าทุกทุกวันทุกเดือนแล้วมันต้องต้องมีความอดทนต่อสู้กับความเจ็บปวดต่างๆ ต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของศรัทธาเ<ม>ชื่อมั่นในความในการกระทำของเราว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง okay. ยอมเจ็บหน่อยต้องต้องเจ็บหน่อยไม่เป็นไรเจ็บจากการเจ็บของร่างกายแต่สามารถทําให้ความเจ็บทางใจหายไปได้ความเจ็บทางกายนี่ทรมานความเจ็บทางใ จ, จ, ท, งใจทรมานมากกว่าความเจ็บทางร่างกาย มีคําถามอีกค่ะบางครั้งถ้าไม่หลับอะค่ะก็คือจะมีความรู้สึกปวดที่หน้าผากอะค่ะแล้วก็เป็นก็คือเป็นทั้งตอนทานข้าวตอนอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าเดินจงกรมก็เป็นด้วยค่ะมันจะรู้สึกหน่วงหน่วงที่จมูกอะค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่หน้าผากถ้ามากเข้าจากที่ขมับแล้วก็เกรงมาที่บ่าค่ะเวลาไปเที่ยวไม่เป็นใช่ไหม ไม่เบนค่ะ ไ, ไม่เบนอย่างเงาเ็นกิเลสไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปสนใจแต่ว่ามันปวดหัวค่ะหลวงพ่อก็อย่าไปสนใจมันมันกิเลสสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าไปเที่ยวหายปวดเลยให้เรากําดูพุทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ะให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆอยไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้ง<ถ>ที่มันเจ็บอยู่หรอคะอถ้ามันเกิดในระหว่างที่เราจะเจริญพุทธโธระหว่างที่เราปฏิบัต <Four> ิน ะ, ะถ้าเราถ้าเวลาอื่นมันเป็นก็ต้องไปหาหมออยู่ แต่ถ้ามันเกิดจะเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติไม่เกิดตอนที่เราไปเที่ยวไปมีความสุขงนี้เราก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่เกิดค่ ะ, ะมันเป็นเรื่องของกิเลสมีอีกข้อหนึ่งที่จะถามค่ะเวลาลมหายใจค่ะตอนเล่นเล็หลวงพ่อบอกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใช่ไหมคะแล้วถ้าลมหายใจมันเป็นสันๆ น, นะคะมันไหวไหวเราจะกําหนดพุทโทได้ยังไไม่ต้อ ง, องใช้พุทโทเลยเราบอกให้แยกกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือดูลมอย่างเดียวแล้วพูดโท่อย่างเดียวพอดูลมอย่างเดียวก็เลยหลับหลับก็พูดโท่อย่างเดียวดูเขาพูดโท่อย่างเดียวถ้ายังหลับอยู่ก็ไปนอนก่อนเราตื่นก็มาแล้วใครมานั่ง่งค่ะก็คือถ้าลมหายใจเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปทําดูไม่ต้องไปบังคับห้ให้ดูเฉยเฉไปค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญ คุยใกล้ๆหน่อยนะมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสูงใบสูงใบต่าหน่อยใช่ไหมใช่มาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะติดตามหลวงพ่อมานานเจ้าค่ะติดตามมาจากอังกฤษค่ะพอดีคุณแม่ได้เสียก็เลยบินมาด่วนก็เลยมาทําบุญเพื่อสกแม่แล้วก็เสร็จแล้วก็อธิษฐานขอได้มาบวชขอได้เจอหลวงพ่อค่ะ คือโยามาบวชเนี่ยที่ตั้งจิตนะตั้งใจว่าจะอุทิศบุญกุศลให้โยแม่คนแม่ได้ไหมคะเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะยังไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่ได้ผลถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ทําบุญใส่บาตรไปแทนก็ใส่บาตรทุกวันเจ้าค่ะนั่กนก็พอแล้วน่นก็พอแล้การปฏิบัติทรรมนี่เหมือนกันกบกาลังสร้างบ้านอยู่ยแต่ยังสร้างไม่เสร็จสร้างนิพพานอยู่ยังไม่สร้างไม่เสร็จ ต้องสร้างให้เสร็จก่อนถึงจะอุทิศได้แต่ตอนนั้นก็สายไปแล้วไม่รู้เขาไปไหนแนละ้วงั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญให้เขาตอนนี้ก็ใส่บาทไปทําบุญทําทานถวายสังฆทานอะไรไปแล้วคุณแม่จะได้บุญไหวไหมเ้าค่ะถ้าเขารออยู่ก็รับได้ทันทีเลยเจ้าค่ะถ้าเขาไม่รออยู่ก็ไ ม, ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นไรสแสดงว่าเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้เขามีบุญของเขาเองแล้วเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยเข้าวัดเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะบางทีแม่เขาเป็นคนที่ทําบุญของเขาอยู่ การทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัานอย่างเดียวแต่แม่ก็ล<อ>หลับไปเฉยๆเจ้าค่ะอ่าดีหลับไปได้ก็ดีก็เลยยมคิดว่าเอ้บุญใดที่ว่าจะทำแลให้คุณแม่ได้รับบุญได้ไวก็อยู่ที่ว่าท่านต้องการหรือเปล่าเนี่ยถ้าท่านเป็นเศรษฐีบุญท่านก็ไม่ต้องการรับบุญจากเราเพราะบุญที่ส่งไปเหมือนเงินให้ขอทานเนี้าค่ะท่ามีถ้าเป็นท่านถ้าท่านเป็นเศรษฐีบุญท่านมีเศรษฐีท่านเป็นมีบุญเยอะท่านก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญแต่ถ้าท่านแต่ถ้าท่านเป็นขอทาน บุญที่เราอุทิศไปก็จะเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้อยู่ที่<ล>ว่าวท่านเป็นเศรษฐีหรือไม่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำบุญมากท่านก็จะเป็นเศรษฐีเวลาไป<ม>ถ้าทำบุญน้อยแล้วไม่ทำเลยท่านก็จะเป็นขอทานโยมแม่ไม่ค่อยทำบุญใย่งั้เราไม่ขอทานโยมก็อยากจะทำบุญเพ่อส่งไปให้ท่านโยมก็ใส่บาไปทุกวันทาบุญทุกวั น, วนส่งไปส่งไปเรื่อย แล้วบุญเจริญสติภาวนานเนี่ยหลวงพ่ออันนี้เป็นบุญสําหรับตัวเราก่อนเราต้องเจริญสติภาวนาให้เรามีความสุขคอนเค่ะอย่งไม่นิยมที่จะอุทิศบุญด้วยการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างบุญอยู่ยังไม่ได้บุญบค่ะาการเจริญสติภาวนานเนี่ยหลวงพ่อเจ้าค่ะคือต้องทํานานแค่ไหนทึ่จะหลุดพ้นความทุกข์ทำยังไงเนี่ ต้องทำนานเจริญตติภาวนาสม่ำเสมอไม่พาดนานแค่ไหนทั้งจะร้นพ้นจากความทุกข์มันสงบอ่สงบความทุกข์ก็หายไปหมดคือโยมก็สุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหลจะค่ะต้องรีบทำเยอะๆตอนนี้แล้วบุญใดที่จะทำให้ให้สุขภาพดีจ้ะค่ะคุไม่บวชชีเลยไม่ต้องไปทำอะไรอย่ารังษีนะท่าน เยอมก็บางครั้งก็เมื่อก่อนก็เคยกลนหัวบวชีแต่บวชไม่ได้นานก็มาหลัดติ่นที่เนี่ยบวชที่อินเดียออลัดติณที่นี่ละะองบวชไปนานๆปฏิบัติไปนานๆแต่บวชไม่ได้นานป<ม>ฏิบัติได้มากว่าแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงไปไเรือ่อยๆแล้วหมดไปในที่สุดอืก็เป็นโชคเป็นบุญเนี่ยได้มาเจอหลวงพ่ออธิษฐานอยู่ถ้าหาไปบวชขอได้เจอได้ฟังธรรมหลวงพ่อติดตามยูทูปมากตลอดเลยตั้งแต่อยู่อัอ ง, องกฤษค่ะจช่เนี่ย พอดีแม่เสียก็บินมาด่วนเอาละประเสริฐจากแม่แล้วก็มาทํามาปฏิบัติธรรมถ้าอยากบูรณะบุญก็ทาบุญทําทานถ้าอยากมีความสุขใจดับความทุกข์ใจก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมระยองทำอยู่เรื่อยๆก็ยังยังทุกข์อยู่ไหมทาวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผลก็จะตามมามันปูกต้นไม้ปลกวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีผลออมาให้กิน ถ้าไม่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่มีผลไมาให้กิน่าธุขอบพระคุณเจ้าค่ะอะมีคนช่วยส่งไม้ไปต่อหนูตอ น, นคืนหนูตื่นมานอนเดินจงกรมเจ้าค่ะแล้วช่วงนี้กิเลส ข, ของหนูตอนนั่งพรเรียนจงกรมเสร็จนั่งสมาธิงธ่วงนอนเกือบทุกวันเลยเจ้าค่ะคือนั่งสมาธิได้แค่แป๊บเดียวเจ้าค่ะทํายังไงเลย เออหนูหนมีกิเลสง่วงนอนนะเจ้าค่ะกินมากเกินไปแล้วาออาหารเดือมากเลยเนี่ยน้ำหนักมันเกินอยู่แล้วหมดไตอีกสามวันห้าวันก็ไม่ตายอ๋อหนูหนูเพิ่งทราบเจ้าค่ะอ่ามันมากเกินไปมันเลยทําให้เกิดแาะใจง่วงนอนขึ้นมาไขมันมันมากเจ้าค่ะระวกังดูให้มันเห้โครงกระดูกแล้วรับปรกทารได้ไม่ง่วงนี่โครงกระดูกไม่เห็นเลย อาจเนื้อหนังกำมันนะเจ้าค่ะจากผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิเจ้าค่ะเมื่อกี้ที่ที่ถามเข้ามาคนเราเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆคนรู้จักคุ้นเคยจึงหายออกไปเรื่อยๆนี้น่าจะหมายถึงว่า ทำไมคนเราเวลาปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแล้วคนรู้จักจึงหายไปออกไปเรื่อยๆจากาชีวิตเพราะความสนใจไม่เหมือนกันนลไงเมื่อก่อนก็เราสนใจเที่ยวกินดื่มกับเขาเขาก็มาหาเราอยู่เรื่อยๆพอเราไม่สนใจจะ ก, กินจะเที่ยวจะดื่มเขาก็ไม่มาแล้ะพอเราจะเข้าวัดเขาก็ไม่ตามเรามาละเจ้าค่ะจากคุณสุภาภรณ์จะระงับความโกรธได้ยังไงดีเจ้าคะเมื่เกิดความโกรธขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้ายัางไม่เกิดก็อย่าไปความ aluminum, ความโกรธมันเกิดจากความอยากความต้องการของเราพอเราอยากได้อะไรต้องการอะไรพอเราไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็ต้องทําใจอย่าไปมีความอยากยินดีตามมีตามเกิดใครจะทําอะไรใครจะพูดอะไรก็โอเคได้ทั้งนั้นเขาจะไม่โกรธแต่ถ้าว่าเขาต้องพูดดีกับเราทําดีกับเราพอเขาไม่พูดดีทําดีกับเราเราก็จะโกรธเขาขึ้นมา เจ้าคะ่ะจากคุณยสเดย์สตรองเกอร์ระหว่างหางานทํำกับเลิกหากงานอยู่บ้านปฏิบัติธรรมอยู่บ้านปฏิบัติธรรมจะได้ผลมากกว่าไหมคะเพราะทํางานไม่มีเวลาปฏิบัติแม่ให้เงินใช้เดือนละสองพันบาทอยู่บ้านกินข้าวฟรีคะ่ะสมัยก่อนเราทํางานแล้วก็ลาออกจากงานเนพะื่อเราจะได้ปฏิบัติอย่าถ้าถ้าไม่ทํางานได้ดีที่สุดถ้าเราต้องการยาวเเวลามาให้กับการปฏิบัติ ใช่ค่ะจากคุณเรืองยศผมตื่นนอนเริ่มรู้สึกตัวก็เริ่มภาวนาพุโทโธทันทีรู้สึกเหมือนใจมันดิ่งมันวา่าบไปช่วงหนึ่งรู้ถึงความเบาสบายเป็นสมาธิหรือไม่ถ้าใช่จะทำอย่างไรให้อาการนี้อยู่ไปนานๆครับก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุโทโธคือช่วงนี้มันเบามันสบายแล้วก็หยุดพอมันเริ่มหายแล้วก็พุโทโธใหม่ต่อ เติมเหมือนเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆพอน้ำมันจะหมดเราก็จอดเติมเติมน้ำมันต่อแล้วน้ำมันคือสติก็จะคอยรักษาใจให้เบาให้เย็นให้สบายแล้วถ้าอยากจะให้มันนิ่งมากกว่านี้ก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งเลยสักแต่ว่ารู้ เจ้าคะ่ะจากคุณทีคัฒนาถามเข้ามาว่าขอความเมตตาพระาจารอธิบายความเป็นพระโสดาบันนั้นอารมณ์จิตท่านจะทนต่อการกระทบในทุกรูปแบบได้อย่างไม่ทุกข์มากใช่ไหมเจ้าคะ่ะ แต่จะนิ้นไปทางรู้ความจริงของการเกิดแก่เจ็บตายและไม่ทํำบาปโดยเด็ดขาดใช้หมาเจ้าคะ่ะน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะคือท่านจะไม่ทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ท่ายังทุกข์กับเรื่องอื่นอยู่ได้ทุกข์กับแฟนอยูย่ยังอยากจะมีแฟนอยู่ถ้าแฟนไม่รักก็จะเสียใจอยู่หรือแฟนจากไปก็จะเสียใจอยู่ยังมีความทุกข์จากเรื่องอื่นอยู่เรื่องอัตตาตัว ต, วตวนยังมีอยู่ ใครด่าใครว่าอะไรดูถูกดูแพนเราเราก็เขาก็จะทุกข์ขึ้นมาได้อยู่เพราะยังไม่ได้กําจัดมันมันเป็นได้มันกิเลสที่ละเอียดกว่าที่จะต้องกําจัดต่อไปก็ต้องเลื่อขนขั้นของการปฏิบัติจากขั้นสโสดาเป็นสกิดาคานาคาแล้วเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็กําจัดกิเลสได้หมดทุกชนิดความกโกรธความเสียใจอะไรจะหายไปหมดไม่มีอีกต่อไป เจ้าค่ะจากคุณเอง่งขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสัพสัต์โดยเฉพาะสุนัขที่นอนฟังธรรมะเจ้าค่ะเขาจะได้รับบุญกุศลบ้างไหมคะคนฟังนอนฟังยังไม่ได้เลยเลยสุนัขมันนอนฟังมันจะได้เลยสุนัขมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเวลาฟังต้องเข้าใจถึงจะได้ไ ด, ได้ได้บุญบุญที่ก็คือปัญญาสัมมาทิจจีนี่เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊ก กรับเดินถามพระอาจารย์เวลาทำสมาธิแล้วจิตส่งออกนอกจากพุทโธเราใช้บทสวดมนต์เพื่อดึงจิตได้ใช่ไหมครับถ้าใช้พุทโธดึงไม่ได้ก็ใช้บทสวดมนต์ก็ได้ <c oughs> จากเฟซบุกเจ้าค่ะขอโอกาสเมื่ออยู่กับพุทโธแล้วเราเห็นอารมณ์เกิดดับทางจิตไปตลอดในเวลาการทำงานยิ่งทำงานไปเรื่อย ก็จะเห็นอารมณ์ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เ, เราควรทําอย่างไรครับและต้องดําเนินต่ออย่างไรครับแม้แต่ตอนแต่ตอนนอนหลับก็เห็นครับก็อย่าไปทุกข์กับมันไงอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราเพียงแต่รู้เฉยๆไปจากแต่ว่ารู้ไปเจ้าค่ะจากคุณหนึ่ง ขอเรียนสอบถามค่ะคำว่าได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นก็สักแต่ว่าเห็นหมายถึงการไม่คิดปรุงแต่งไม่จินตนาหรือคิดไปในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินใช่ไหมเจ้าคะหรือไม่ลักชังกลัวหลงเห็นอะไรก็ไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นงูก็ไม่กลัวเห็นคนสวยๆหลอกๆก็ไม่ลัก เห็นคนน่าเกียดน่ากลัวก็ไม่ชังเขาเฉยๆไปไม่มีอารมณ์เห็นเงินก็ไม่รูงว่าเป็นเป็นเงินเห็นว่าเป็นกระดาษค่ะจากยูทูบพระอาจารย์ครับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดและมหายานมีหลักปฏิบัติต่างกันอย่างไรคะรับผมอันนี้เขาเป็นของพระส่วนใหญ่คือพระวินัยไม่เหมือนกัน พระอหายานนี่เขาตัดพระวินัยไปหลายข้อด้วยกันเห็นว่ามันเขาไม่สามารถจะรักษาได้เขาก็เลยตัดไปตามคำคำสั่งที่พระเจ้าทรงตัดว่าถ้าทรงเห็นว่าพระวินัยข้อไหนไม่สมควรที่จะรักษารักษาไม่ได้ก็ตัดไปก็ได้แต่ต้องเป็นข้อที่มันไม่ใช่เป็นข้อที่รุนแรงข้อเบาๆความผิดเบาๆนี้ก็อาจจะเลิกได้แต่ทางเทรวาดบอกว่าเคยรักษายงไงก็รักษาต่อไป ไม่ไม่ตัด227ยบเ็ข้อมีก็ยังเหมือนเดิมอยู่ของมหายา น, นี่อาจจะเหลือแค่ร้อยห้าสิบร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาเขาว่าตัดไปตามตามความคิดเห็นของเขาเขาว่าไม่จำเป็นเจ้าค่ะจาก y o u t u b ปพระาจาย์มีโอกาสได้ไป ปฏิบัติธรรมครั้งแรกแบบวันเดียวตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของพระอาจารย์ที่สอนรู้สึกจิตสงบมากค่ะพอกลับมาบ้านไม่มีความรู้สึกหิวหรืออยากกินอะไรจนถึงเช้าเป็นอาการปกติของนักปฏิบัติธรรมใหม่คะใช่ใจมันอิม่มไงใจอิ่มด้วยความสงบด้วยความสุขเรื่องของทางความหิวทางร่างกายเลยไม่มีกำลังที่จะมาผลักดันให้ไปกินนูน่นกินนี่ คนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ยังไม่อ้วนไงค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะน้อมกราบธรรมสการพระอาจารย์สิทธิ์มีคำถามค่ะพระอาจารย์สิทธิ์นั่งสมาธิปกติสิทธิ์ จับคำบริการพุโทโธแล้วปักฐานจิตอยู่ที่หัวใจนั่งไปสักพักพอคำบริการพุโทโธหายไปจิตสงบมากรู้เพียงแค่หัวใจที่เต้นแต่เมื่อวานนี้และ ว, วันก่อนที่นั่งสมาธิจิตสงบลงเร็วหัวใจที่เต้นหายไปสิทธิ์รู้สึกไม่ได้หายใจตอนนั้นมีสติรู้และตกใจจากนั้น จิตคิดเพียงแค่รู้เท่านั้นแล้วจิตก็สงบลงต่อไปอีกสักพักก็รู้สึกไม่ได้หายใจอีกครั้งวนอยู่แบบนี้สติติดอยู่ตรงนี้มาสามวันแล้วเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์สิตจะต้องทำยังไงต่อไปเจ้าค ะ, ะเจริญสติให้ต่อเนื่องให้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าค่ะจากคุณมนิิราขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะดิฉันชอบสวดมนต์ฟังธรรมและนั่งสมาธิแต่สามีเขาไม่ชอบเขาชอบว่าเหน็บแนมตลอดดิฉันควรทำอย่างไรดีคะขอความเมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะพระถางคดีเขาชอบอะไรเขาชอบมีมียน้อยก็ให้เขาไปมีมีอน้อยเขาก็จะได้ไม่มาเหน็บแนมเราเราก็จะได้นั่งสมาธิของเราได้ ใช่ค่ะจากคนปณิดาสาหรับผู้ป่วยติดเตียงไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ยังมีลมหายใจแบบนี้จะทำบุญได้ด้วยวิธีใดบ้างคะไม่ได้เลยถ้าไม่รู้อะไรก็แสดงเป็นคนตายต้องทำตอนที่เรายังรู้เรื่องอยู่ต้องเป็นเงินของเราต้องเป็นเจตนาการความตั้งใจของเราด้วยแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วคนหรือเอาเงินของเราไปทำบุญให้เรานี่เราไม่เราไม่ได้บุญเลย เหมืนตอนที่เราตายไปแล้วนี่ลูกหลานย่าเออง เ, าเงินที่เราทิ้งไว้นี่ไปทําบุญให้เรานี่เราไม่ได้บุญเลยได้แต่บุญที่เขาอุทิศเท่านั้นเองซึ่งเป็นเซี่ยวเดียวของบุญที่เขาทำอย่างั้นถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆต้องทำตอนก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าไปทําตอนที่ให้เขาคนอื่นทําแทนเราในตอนที่ตายเราจะไม่ได้บุญเลยเหมือนกับเ ว, เวลาบริจาคกบายวะตอนที่เราตายเวลาก็ไม่ได้บุญเลยถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตาย เช่นแบ่งไตให้ใครไปสักข้างหนึ่งแบ่งแบงปอดไปข้างแบ่งตาไปข้างหรือเบอร์จากเบอจากเลือดอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่มีค่ามากแล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขจากการเสียสละของเราอันนั้นแหละคือบุญเจ้าค่ะคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะก็พอสมควรกับเวลาสําหรับวันนี้ขอให้ท่านตรงงามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิพจารณาไปปฏิบัติ